แนะนำบทอัลบุรุชบทอัลบุรุชเป็นบทมัคกิยาะมียีสิบององค์การแกนหลักของบทก็คือเรื่องของบรรดาเจ้าของหลุมพรางอัสฮาบุลอุดูดซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียสละด้วยชีวิตในทางของการเชื่อมั่นและการสถาบทนี้ได้ร่วมโดยการสาบาลด้วยทองฟ้าและที่เต็มไปด้วย ด, ว, ยดวงดาวน้อยใหญ่ซึ่งโคจรไปตามจักรราศี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 ในการที่จะจัดการกับศัตรูของโปรงซึ่งพวกเขาได้ประหัรประหารพวงเบาที่รักไร่ของโปรงบทนี้ได้จบลงด้วยเรื่องของฟิรเอาและสิ่งที่ประสบแก่ตัวของเขาและหมู่ชนของเขาคือความพินาศความหายนะอันเนื่องจากการกดขี่ข่มเหงและความเก่ยวกรานั่นเอง ด้วยพระนามของ a l l a ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและด้วยวันที่ถูกสัญญาไว้และด้วยผู้เป็นพยาน และผู้ที่ถูกเป็นพยานาบรรดาเจ้าของหลุมพรางได้ถูกสาบแช่งแล้วไฟที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิงขณะที่พวกเขานั่งอยู่ตรงหน้าไฟและวพวกเขารู้เห็นเป็นพยาน ต่อสิ่งที่บรรดาลูกน้องกระทำกับผู้ศรัทธาและพวกเขาไม่ได้แก้แค้นเขาเหล่านั้นเว้นแต่ว่าเขาเหล่านั้นศรัทธาต่ออัลล์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ ผู على ้ซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของพระองค์แล้วล้อ น, นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง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 แต่บรรดาผู้ปฏิเศสศรัทธายังไม่ยอมเชื่อความจริงแล้วเราสงห้อมล้อมพวกเขาไว้ทุกด้านมิใม่ใช่นนั้นดอกที่พวกเขาไม่ยอมเชื่อถือ